ไ้จิตชื่นบานบุญกุศลมหาศาลมหาทานบุญไหลผ่านกลางใจ เชลมใจชุ่มเย็นฮะไทยปีติสุขล้นิืมในบุญญาเหล่าสาธุชนสร้างความมงคลแต่บาทําไม่แยแตรประเพณีร่วมกันสืบสาน พุทธธรรมงดงามยิ่งใหญ่ศาสนาสองทางสวายแสงธรรมอำมภัยในยามอารุณ ฉลมใจชุ่มเย็นฮะไทยปีตีสุขล้นลืมในบุญญาเราสาทุชนสร้างความมงคลตมบาททำไม่ย่ตราประเพณีร่วมกันสืบสานพุทธธรรม งดงามยิ่งใหญ่ศาสนาสองทางสวายแสงธรรมอำ่ำไห้ในยามอารุณ